ยาซีเรียเรื่องหลวงตาลองของ <S <S 2> <S 2> <S สามเณรน้อยรูปหนึ่งเป็นนักเทศเก่งมากสามารถนำธรรมะ มาประยุกเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างแตกฉานเข้าพรรษาที่วัดก็มีการจัดพระเนนพลัดหมุนเวียนกันขึ้นเทศแต่เนนน้อยจะเป็นขวัญใจของญาติโยมชื่นชอบมากเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆเพราะฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่มีภาษาบาลีมากนะักหลวงตาติดก็เป็นนักเทศเหมือนกัน ติดสมชื่อคือติดมาติดบุหรีขณะที่เทศก็สูบบุหรีควันขโมูท่านสอนว่าเล่าบุหรีไม่ดียาเสพติดไม่ดีอาจตามารู้หมดแต่อดไม่ได้วันหนึ่งได้พบหน้ากับเนนน้อยหลวงตาซึ่งไม่ค่อยสบอารมณ์อยู่แล้วจึงพูดกับเนนว่าเนน ถึงเนนจะเทศเกงมีคนสนใจมากแต่ไม่เห็นมีใครสนใจเอาใจใส่เนนเลยว่าเนนต้องการอะไรไม่เห็นมีใครเอาอะไรมาถวายเนนเลยสู่อาตมาไม่ได้มีญาติยอมนำมาติดกันเทศเต็มไปหมดต้องการอะไรเขาก็เอามาถวายทุกอย่าง ฉันต้องการขว้านมาผาฟืนต้มน้ำร้อนเขาก็เอามาถวายฉันต้องการพัดลมมาแก่ร้อนเขาก็ถวายพัดลมเนนน้อยบอกว่าหลวงตาที่เขาติดกันเทศเป็นขวานกับพัดลมนะ่ะมันเป็นปริศนาธรรมเขาติดกันเทศเพื่อสอนหลวงตาไม่จริงเขาสอนอย่างไง หลวงตาแย้งถามที่เขาถวายขวานเขาสอนว่าหลวงตารู้หมดทุกอย่างว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดียาเสพติดไม่ดีเทศสอนคนทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ตัวเองยังสุบยังติดมันก็เหมือนกับขวานขวานน่ะมันทากอะไรได้ทุกอย่างยกเว้นด้ามของมันเอง หลวงตาโกรธจัดด่าว่าไอเด็กเวนทำเป็นโอดรู้มาสอนค่ะเนนน้อยจึงพูดต่อว่าหลวงตาโกรธใช่ไหมเป อ, อสิวะหลวงตาว่ายังไม่หายฉุนเวลาโกรธเนี่ยมันร้อนใจหรือเย็นใจหลวงตาเนนถามต่อร้อนสิวะถามได้ พัดลมมาที่เขาติดกันเทศน่ะเขาสอนหลวงตาว่าพัดลมมันเป่าให้คนอื่นเย็นได้ทุกคนแหละแต่ว่าก้นมันเองร้อนเพราะมันลืมเป่าก้นตัวเอง